นั่นนะเห็นว่าโผถ้าประกอบมิจฉาชีพนะความเสียหายอะไรจะตามมาบ้างตามมาเยอะจริงๆนะสําหรับผู้ที่ทําทุจริตกรรมแต่ถ้าหลายๆท่านมานั่งฟังทำได้เพราะไม่ทําทุจริรกรรมเพราะตั้งอยู่ในสัมมาชีพนี่ก็คือเป็นเป็นกุศลทั้งหลายเป็นอนเนกนะที่ติดตามมาเพราะสัมมาชีพถ้าไปประกอบมิจฉาชีพมาจะมานั่งฟังทำได้สบายๆอย่างนี้หรือในะ ใ, ใ, ใครเดินเข้าเดินออกระแวงไปหมดเลยนะ สายสืบหรือเปล่าเนี่ยมาจับเราหรือเปล่าเนี่ยนะครมิจฉาชีพนมันก็ดีแล้ว่ที่ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนั้นก็ผู้ที่อยู่ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพเนี่ยให้ดีใจไปเถอะเนี่ยนะมันลดความเดือดร้อนลดความหวาดระแวงลดความลำบากใจตั้งมากมายแล้วเนี่ยนะก็ก็ดีใจไปเถอะเพราะว่าสัมมาอาชีพเนี่ยทําให้บาปอกุศลนลดลงจริงๆ ถ้าไม่ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพนะจะเดือดร้อนใจในภายหลังขนาดไหนนึ้ถึงส่วนไหนก็ก็ทุกข์อ่ะโดยความพิสูจน์ทั้งหลายมิจฉาวายามะของผู้มีสัมมาวายามะย่อมเสื่อมลงถ้าใครที่มากไปด้วยสัมมารประธานสี่ประการใช่ไหมมิจฉาวายามะคือความเพียนผิดก็ลดลงนั้นบาปอากุศลทั้งหลายที่มีมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยก็ลดลง อันนี้เป็นอั น, นิสงส์เป็นผลของสัมมาวายามะแล้วกุศลธรรมเป็นอนเนกก็เกิดขึ้นดูความพิสูจนทั้งหลายมิชฉาสติของผู้มีสัมมาสติย่อมเสื่อมลงเช่นว่าถ้าผู้มีกายานุปัสนาสติปฐานมีเวทนานุปัสนาสติปทานมีจิตตานุปัสนาสติปทานอย่างมากนะจนถึงมีธรรมานุปัสนาสติปทานถ้าตั้งมั่นอยู่ด้วยสติปฐานสี่อย่างนี้มิชฉาสติก็ ลดลงบาปอคูโสนแลธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาสติเป็นตัจจัยก็ลดลงเป็นอนเนกอันนี้ด้วยผลของสัมมาสติดูความพิสูจทั้งหลายมิจฉาสมาธิของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมลงนะสัมมาสมาธิก็คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดกับเกิดจากการเจริญอ น, นุสติเป็นสมาธิที่เกิดจากการเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยนะอันถ้าสมาธิเหล่านี้เกิดขึ้นเจริญขึ้น มิจฉาสมาธิก็เป็นอันลดลงบาปอากุโลธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาสมาธิเป็นตัดใ จ, จก็ลดลงไปอีกนะนี่เป็นอันนิสงของสัมมาสมาธิเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายมิจฉาญาณของผู้มีสัมมาญาณย่อมเสื่อมลงหมายความว่าถ้ามีความรู้ถูกต้องก็จักละความรู้ที่ผิดพลาดเนี่ยนะถ้าเข้าใจถูกต้องนะไอความเข้าใจที่ผิดพลาดก็เป็นอัน ลดลงไปแล้วก็ไอ้ถ้าเข้าใจผิดอย่างเดียวนะี่บาปอย่างอื่นตามมาบาลไปหมดถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันทำให้ลดบาปอากุศลที่เกิดจากความเข้าใจผิดความรู้ที่ผิดเนี่ยนะก็ละออกไปดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายมิฉาวิมุตของผู้มีสามมาวิมุตย่อมเสื่อมลงบางคนนะ่ยยังไม่ได้รู้บรรลุอะไรหรอกแต่ตัวเองเข้าใจว่าบรรลุใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องบรรลุถูกต้องบรรลุผิดอะไรบรรลุถูกอะไรบรรลุผิดเนี่ยนะผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองไม่บรรลุแล้วไปคิดว่าบรรลุเนี่ยนะโอ้โหทำบาปอีกบานเหมือนกันออย่างคารวาไม่ทราบนะแต่เป็นพระพิสุบางรูปเนี่ยตัวเองไม่ได้บรรลุอะไรหรอกคิดว่าตัวเองบรรลุอ่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่ตั้งใจอบรมใจศึกขาไม่สนใจใจศึกขาก็นึกว่าตัวเองบรรลุแล้วก็โอ้โหทำบาปอกุศลอยกอย่างบานเนลยนะ กว่าจะรู้ตัวก็ได้บาปไปบ า, ปบานะโดยที่สุดสัมมนาเพศยังรักษาไม่ได้อันนี้ผลของมิ ช, ชาวิมุติเนี่ยนะผลถ้าเข้าใจในสัมมาวิมุติถูกต้องแล้วก็บาปอากุศลเป็นอนเนกที่เกิดจากมิจ ช, ชาวิมุติก็เป็นอันลดลงไปธรรมะทั้งสิบประการ น, นี้เรียกว่านิชระวัตถุคือเหตุที่กาจัดบาปอากุศ ล, ลธรรมทั้งหลายโดยสรุปสัมมาทิฏฐิและมิจฉัทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะละมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาสัมมากรรมตะละมิจฉากรรมตะสัมมาอาชีวะก็ละมิจฉาอาชีวะสัมมาวายมะละมิจฉาวายมะสัมมาสติละมิจฉาสติสัมมาสมาธิละมิจฉาสมาธิสัมมายานะละมิจฉายานะ สัมมาวิมุตติละมิจฉาวิมุตติอันนั้นก็แยกนะว่าทางฝ่ายถูกกับทางฝ่ายผิดทางฝ่ายถูกละทางฝ่ายผิดเท่ากับแสดงว่าถ้าเจริญทางฝ่ายผิดก็ละทางฝ่ายถูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าผู้ใดมีสัมมาทิฐิผู้นั้นก็ไม่มีมิจฉาทิฐิถ้ามีมิจฉาทิฐิก็ไม่ใช่มีสัมมาทิฐิในสัมมาทิฐิเนี่ยบริวารของเขาคือกุศลธรรมเป็นอันมากใช่ไหม ถ้ามิจฉาทิฏฐิบริวารของเขาก็อากุศลธรรมเป็นอันมากในเรื่องของสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะพยายามแยกให้ดีนะว่าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือยังตั้งคำถามอันนี้ขึ้นมาเลยนะพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐินี่แค่ไหนเรียกว่าผููถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าทั่วๆไปนบอกว่าสัมมาทิฏฐิยังล่างที่สุดคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเราทั้งหลายมองเห็นกรรมและผลของกรรมไหม อายุยืนก็เพราะคือคื อ, คอต้องฝึกคิดแบบจูรกรรมวิพังกระสูดนะถ้าใครสาธยายจูรกรรมวิพังกระสูตรได้ตรงจาไว้ได้หัวข้อก็ยังดีนะีมาตรึกนะเห็นเลยว่าซับ ม, มาที่ถิเป็นอย่างไรอะนนั้นว่าบุคคล น, นี้มีทรัพย์มากทรัพย์น้อยอันนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมรัพย์มาการัพย์น้อยสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีอายุยืนอายุสั้นสปัปดาหมากสัปดาห์น้อย อะไรอีกยศมากยศน้อยอนะคือเรียกว่ามีสัปดาหมากสัปดาน้อยนะเดชอำ น, นาจอ่ะพวกนี้เป็นผลของกรรมแล้วก็มาพิจารณาไข้ครควนอย่างนี้บ่อยๆก็จักเห็นสมายานะก็เคยพบอยู่แต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกว่าคาําอธิบายเป็นยังไงนะเมื่อวานก่อนก็พยายามดูอยู่แต่นึกไม่ออกว่าไปดูมาจากที่ตรงไห น, นเคยพบคาําอธิบายเหมือนกันแต่ว่าจละละลึกไม่ได้แล้ว กาทั้งติดนึกออกไหมว่าสัมมาญาณะเป็นยังไงไม่ทราบจะเป็นความบริบูรณ์ของอรหัตตะผลหรือเ่านะคะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เห็นอริยสัจตัณฑโสดาบันสกทาคามีนาขา ม, ขามีถ้าเป็นสัมมาญาณนะจะเป็นอรหัตน ะ, ะก็ผู้ใดเคยพบที่อื่นไหมเคยพบพยัญชนะคําว่าสัมสัมมาญาณะเนี่ยอธิบายอย่างไรบ้าง แต่ก็พยายามไปดูนะพยายามเลือกดูว่ามีคำอธิบายไว้ที่ใดแต่เคยพบคำอธิบายนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหนโดยสรุปธรรมะที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งถึงทำสิบควรรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งแต่คลุมคลุมค่อนข้างมากเลยนะคำว่ารู้ยิ่งเนี่ยถ้าข้อแรกคือสัพเพสตาหาถิติกาอันนี้ก็ยาตะปริญญาก็สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหมวดอื่นนั้นยาตาปริญญาอย่างเดียวคงไม่พอเนี่ยนะนี่มาดูคำเต็มเลยนะในหน้า177กก็เอกสารที่ที่ใครที่อาจาสัน ต, ติทายแจกะนะก็ดูเอาตามนั้นก็ได้นะเอกสารอภินญญาีิเทศะนะหรือไม่ก็ดูหน้า177กไก่ก็ได้ข้อสามนะข้อสาม ดูความพิสูจ ท, ทั้งหลายธรรมชาติทั้งปวงควรรู้ยิ่งน่าจะแปลว่าสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งคืออะไรตาควรรู้ยิง่งศัพท์ว่ารู้ยิ่งเนี่ยต้องอยู่กับทุกคํานะแต่นี้เขาย่นย่อไว้ต้องท้าสาธยายให้เต็มบอกว่าตาควรรู้ยิง่งรูปควรรู้ยิง่งจกักขูวิญญาณควรคควรู้ยิง่งจักขู่สัมผัสควรรู้ยิ่ง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข์มสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจับขู่สัมผัสเป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งคือถ้าใครสวดมนต์ไม่ค่อยเก่งนะจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยบทเนี่ยไปสวดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะอภินัยยานิเทศนี่ก็นั่งสวดได้แล้วครึ่งคืนถ้าปรินยานิเทศอีกสว่างพอดีมันใครจำอะไรไม่ค่อยได้เนีสาธยายตามนี้เถอะเนี่ยเบาที่สุดและวิธีสวดมนต์เนี่ยนะ คลอกคลอกเข้าไปสักพักเดี๋ยวก็เป็นแล้วหนึ่ก็คือการสาธยายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบทที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะผู้ใดรู้แจ้งแม้แต่บทเดียวก็สามารถยังที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ไปที่พระเจดีย์ก็สาธยายลักษณะนี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นี่แหละเห็นไหมก็เป็นการบ่มปันยินซีนะให้มีอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ ขนาดสาธยายนางสาธยายน่าสมมติว่าสาธยายไม่ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงบรรลุว่างั้นนหะรือไงแล้วก็พยายามหมันสาธยายมันระ ล, ลึกมันตึกไปอย่างนี้ก็พักสักก่อนนั่นนะธรรมะสามสิบเป็นธรรมะที่ควรจําเอาไว้ก่อนเลยนะเป็นธรรมะที่ใช้มากในพระไตรปิดกคือวิธีจําง่ายๆนะตารูปจกักรวิญ ญ, ญาณภาษะเวทนาเท่าไหร่ ห้านะองค์ธรรมมีห้าใช่ไหมหนึ่งตาสองรูปสามจากักผูวิญญาณสี่จกักผูสัมผัสห้าเวทนาห้าคำนี้คูณทวารหกก็เป็นสามสิบเนีนะ่ยมีใช้มากโดยเฉพาะในสังยุตติกายสลายยตนาวัต์มีใช้มากจริงๆมันใครที่ทรงจำบทธรรมนี้ได้สามารถใช้ได้มากในหน้าสองร้อยสิบสาม อัตกถาอธิบายข้อสามข้างล่างว่าคําเป็นต้นว่าสัพพังพิขเวอปินยยังดูความพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งดังนี้พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพื่งทราบว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนํามาแสดงแล้วที่นี้เพราะฉะนั้นคําที่เราว่าเมื่อกี้นั้นเป็นคําในพุทธพจน์เนี่ยนะที่ภาษารีบุตรท่านยกมาอีกครั้งหนึ่งก็พุทธพจน์แล้วภาษารีบุตรอ้างอ่ะนะวิสาชนาสามสิบ มีจักขู่เป็นต้นถ้า ร, รรมเสนาบดีสาริบุแสดงแยกเป็นอย่างละห้าอย่างละห้าในทวารหนึ่งหนึ่งในหกทวารเนี่ยนะนตามลำดับแห่งความเป็นไปแห่งทวารและอารมณ์ทวารคือตาอารมณ์คือสีหรือรูปเนี่ยนะก็วิญญาณที่เป็นไปในนั้นในคำนั้นจกักโศมีสองอย่างตานี่ยมีสองอย่างคือมังสะจกสักโศกับปัญญาจากักโศ ปัญญาจักสุนี้แบ่งออกเป็นห้าอย่างอีกคือหนึ่งพุทธจักสุสองสมัญตะจักสุสามยาณจักสุสี่ 4. ทิพจักสุห้าธรรมจักสุอย่างพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุห้าประการเนี่ยก็คือบทนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุห้าเนี่ยนะเอาไว้เจริญพุทธคุณนะทรงจาจักสุห้าอย่างเข้าใจและเอาไว้เจริญพุทธคุณได้พระผู้มีพระภาคมีดวงตาเนี่ยนะ อย่างพุทธจักรสุเลยอย่างพุพทธพจน์ ท, ที่ววาดูความพิสูทั้งหลายเราเมื่อตรวจดูสัตว์โลกได้เห็นแล้แลวแลด้วยพุทธจักรสุดังนี้ชื่อว่าพุทธจักรสุพุทธจักรสุนั้นโดยา น, นี้เป็นชื่อของอินทริยะปรปริยตญาณและอาศยานุสยะญาณสองยา น, นี้เรียกว่าพุทธจักสุนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะอินทริยะปรปริยตญาณและอาศยานุสยญาณ ถามว่ารายละเอียดดูได้จากหน้าอินทริยปโรปริยตยานหน้าหนึ่งพันห้าสิบแปดไปดูนะลองไปพลิกๆลิกดูจะได้เห็นว่าเออเนี่ยพุทธจักรสุเป็นอย่างนี้นะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันห้าสิบแปดและหน้าหนึ่งพันหกสิบเก้าหน้าหนึ่งพันห้าสิบแปดนั้นเป็นชื่อของอินทริยปโรปริยตยาน หน้าหนึ่งพันหกสิบเก้าเป็นชื่อของอาสยานุสยายานทั้งสองยานนี้เป็นชื่อของพุทธจักรสุขเป็นตาของพระพุทธเจ้าไว้ตรวจสัตว์โลกเรียกว่าเป็นเครื่องมือของพระพุทธเจ้าเอาไว้ตรวจว่าสงเคราะห์แปลภาษาไทยๆว่าโปรดขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ดูได้จากยานนี้เนี่ยนจะโปรดได้หรือโปรดไม่ได้ของเราพอตรวจดูแล้วตอนนั้นน่ะนะเรานี้เป็นอา ร, รมณปัจจัยของอาสยานุสยายาน อินทรีย์เปรูปริยัติยานแล้วก็บอกว่าโอ้ยอีกสองพันกว่าปีไปเรียนใหม่ก <g ülme> <g ülme> <g ülme> ็ตอนนั้นพระองค์ตรวจดูแล้วนะไม่ผ่าน <g ülme> ไม่มีรายชื่อเราอยู่เลยอย่างเหมือนกับว่าไปเคยไปสมัครอะไรสักอย่างไว้ใช่ไหมไปตรวจดูแล้วไม่มีรายชื่อเราอยู่ในนั้นเลยสาลงสมัครไว้แล้วนี่พระองค์อนี่เป็นยานของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะแลกวก็กลุ่มอาสาธานัญญาณ ส่วนสัพพัญยุตยานเรียกว่าสมันตะจักสุนสมันตะจักสุนั้นเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานนี้เราคงมีโอกาสได้เรียนถึงเนาะหน้าเท่าไหร่หน้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นี่กี่ปีนี่จะถึงเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงก็ไปเปิดอ่านได้นาะไม่ไม่เป็นไรก็ไปเปิดอ่านเถอะ ฐานสัพพัญยุตญา น, นี่แหละเรียกว่าสมัญตะจักสุเป็นจักสุที่รู้ได้รอบรอบยังไงรอบทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้เรียกว่าเป็นดวงตาโดยรอบเลยนะรอบรู้ไปหมดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังขารทั้งบัญญัติทั้งนิพพานเนี่ยนะรู้หมดเกลี้ยงไม่มีส่วนเหลือเลยอันนี้เป็นเรื่องของสมัญตะจักสุ ได้สองจักสุแล้วนะหนึ่งพุทธจักสุสองสมันตจักสุกล่าวให้ตรงแล้วพุทธจักสุกับสมันตจักสุนั้นเป็นจักสุของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ได้นี่นะส่วนญาณจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของเห็นธรรมนะเห็นธรรมหมายถึงเห็นอะไรเห็นสัจธรรมเนี่ยนะปัญญาที่เห็นสัจธรรมนั่นแหละ เ, เรียกว่าญาณจักสุ ญาณจากกักระเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วดวงตาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกอันนี้นี่เป็นญาณแอบเป็นธรรมะกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนเมื่อวานเนี่ยฟังไหมสวดที่ที่ขัดพระเจดีได้ยินไหมจากคุาา้งอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเนี่ยนะวิชาอุทปาทิเนี่ยอันนี้หมายถึง พรงยกมาจากธรรมาจากนั่นเอง <S <S เพราะฉะนั้นในธรรมาจากเนี่ยคําว่าดวงตาเห็นธรรมหรือญาณักสุตรงนี้หมายถึงญาณที่รู้อริยสัจญาณที่ที่รู้อริยสัจนะพวกสัตว์ญาณกิตญาณกตญาณเนี่ยกลุ่มนี้ใช้คําว่าญาณักสุทั้งหมดเลยแล้วก็ยกข้อความมาจากธรรมาจากนะว่าดวงตาเกิดขึ้นแล้วยาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราวันนี้ทุก นี้ทุกคนกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้แล้วนะพวกนี้อยู่ในญาณจักสุหมดเลยก็เป็นการรอบรู้อริยศาสตร์ทั้งโดยสภาวะโดยกิจและทำกิจเสร็จแล้ว